ตากันไหมอย่าไม่ตากันเนอะจะให้พอเลยก็ให้พอเนอ ะ, อะก็ทานก็สำเร็จประโยชน์แล้วเราก็สักบาทสลายอาหารพระที่เรียกว่าทานทานคือการสละความตนิ่เนียวเน้นความเห็นที่ตัวการทําทานเนี้ย ที่พระพุทธเจ้าท่านก็ยินยมให้เราถวายหรือบริจาควัตถุทานอย่างที่พวกเราก็ทำกันอยู่ตลอดมีถวายอาหารลันข้าวใน <S <S ท่านผู้ทรงสิลเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้กล่าวทำถวายไป เขาเรียกว่าวัตถุทานอีกอันหนึ่งเ้าเรียกว่าอาภัยทานให้อภัยซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจหรือให้โอกาสให้เกียรติเขาเรียกว่าให้อภัยหรือให้โอกาสแก่ผู้ที่มีความสามารถนี่เขาเรียกว่าให้โอกาส อีกกานึ่งให้ทำเป็นทานให้ธรรมะให้ไนวคิดกับเพื่อนกับคนใกล้ชิดหรือเพื่อนทํางานด้วยกันนีให้หรือเพื่อนผู้ญาติพีพ่น้องหลงเผิดอย่างเงี้ยให้ทําแนะนําที่นี้สิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ควรพูด สิ่งนี้ไม่ควรคิดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าให้สติให้ทำเป็นทางอย่างพวกเราก็ได้ทํากันเต็มที่ให้วัตถุทางให้โอกาสในี่ยอย่างที่คนข้างนอกก็เข้ามาทมบุญเยอะนะวันได้งานนี้ก็ให้โอกาสคนมาล่มทำบุญเข้ามาไม่ใช่จํากัดหน่วยงานทีเดียวแต่ครูบาอาจารย์ที่ ท่มากันก็อยากจะให้ทุกคนได้มาสามัคคีร่วมกันทําความดีโอกาสทําความดีนั่นก็ไม่ใช่ง่ายนะแค่คิดนะคิดว่าจะทําความดีคิดอย่างเดียวยังคิดยากมาคิดแล้วแล้วเราก็ทําลงมือทําด้วยยิ่งยากใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วการทําความดีเนี่ยก็ไม่ใช่ง่าย ทำและการนำวัตถุสิ่งของที่เราคิดว่าจริงนี้คือบุญเราก็เอามาด้วยอยากก็ถื อ, ổi, อว่าเราทำสำเร็จแล้วเราก็อุทิศอุทอิศคุณงามความดีที่บุญเนี้ยให้กับบุคคลที่ทำไม่ได้คนที่ลงลับไปแล้วมีบรรดาบ้างบิดาบ้างทูกมีอุปการะคุณบ้าง ที่ทนละจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีวัตถุอย่างที่พวกเราเนี่ยมาทำกันแล้วในโลกนี้นไม่มีพระไม่มีที่จะทำบุญได้แต่มีคว า, ามคิดอย่างเดียวแต่พวกเรานั้นมีโชคคิดได้ทำได้แล้วก็หามาได้เป็นพระที่มีโชคจริงเราก็เจรจาให้กับ ท่านผู้ห ล, หล่านั้นไม่ใชใจกลท่านจิตนี่เป็นสมาธิไม่จำเป็น ต, ต้องใช้น้ำํำน้ำเนี่เป็นสื่อคห้จิตเนี่ยเป็นสมาธิพอเวลาเราอุทิศไปปุ๊บเนี่ยกระแสมันแรงถ้าจิตใจขุ่นวัวสงหงกระวนกระวายการอุทิศบนกุศลไปให้กับท่านเหล่านั้นเนี่ยไปไม่ไกล เรงต้นคือหมาต้ององอนน้ํามาพื่อจิตเนี่ยอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งในน้ำมันต้นเนี่ยมันง่ายดีครูบาอาจารย์หรือคนโบราณเขาก็บอกว่าเวลาหยาดน้ําเนี่ยหย่าใน้ําขาดสายทาต่อเนือออ่องนี่แหละจิตมันจดจ่อเมื่อจิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์อใดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสมาธิแล้วเราก็อุทิศจิตเมื่อมีสมาธิปุ๊บเนี่ยเหมือนกับสายไฟอ่ะ มันเหมือนกับคลื่นคลื่นกระแสคลื่นก็คือสัญญาณาโทรศัพท์เราเนี่ยถ้าเครื่องส่งดีพุ๊เนี่ยมันไปได้ไกลไกลมากยิ่งไม่มีอะไรบังปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยไม่ได้มีอุปสรบังเนี่ยกระแสจิตเนี่ยจะแหล่ ง, จอจองเจาะจงไปเลยนึกถึงผู้ที่ลงรับไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นปู่ย่าตายายของเราหรือญาติพี่น้องป อ, อกเชื่อเลยคดถึงเชื่อบนที่ขพระเจ้าทําในวันนี้ปุทิศให้กับนายนั่นนางนี่ปีดาเขาก็ไปเชื่อชื่อสิ่งชื่อนี้บรรดาชื่อนี้ปู่ย่าตายายชื่อนี้ปุทิศให้ท่านถ้าท่านเรามีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์มีความสุขขอให้มีความสุขยิง่งยิ่งขึ้นไป ถ, ถ้าเทวนั้นอยู่ในภพโภมเทลับได้เนี่ยจะยกระดับของท่านขึ้ น, นมาี่ถ้าตอกทบได้ยาถ้าพอที่จะไปเกิดได้ปุ๊บเนี่ยดวงตรงนี้ยจะนํำพาไปแสงสว่างให้พเพื่ทวรั้นเนี่ยไปเกิดในภพโภมที่ดีแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยสู้เราทําก่อนไม่ได้ที่เรายังมีชีวิตอยู่วันเนี้ยเป็นของเรา ติต่อไปด้วยแล้วการแผ่คือทธิ์บนกุศลเนี้ยพบให้หมดไม่ต้องเก็บไว้ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยพราะบนเนี้ยมันไม่หมดเหมือนอย่างวัตถุทั้งโลกที่เราเข้าใจมันไม่หมดไงยิ่งให้ยิ่งเพิ่มอ่ะจริงๆ ม, มันจะเพิ่มขึ้นอีกมันจะฟูมันจะไม่ไม่หมดไม่หายบนเนี้ย อย่างบางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราทิดจะให้คนอื่นหมดบุนเราไม่หมดเหรืออันนี้เข้าใจผิดนะไม่หมดนเนี่ยยิ่งอุทิศให้ยิง่งมันไม่เหมือนอย่างอื่นอย่างเราเกินเล้าเนี่ยถ้าปิดขวดทวกปลาเก๋าพวกนูด้ดแต่คมอื่มเกิดขึ้นกับเรามันไม่เหมือนวัตถุแบบนี้บุญเนี่ยอุทิศเลย ไม่ต้องขออยับเลยถ้าขออยับไว้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับของเกินเหลือเดนนี่ยมันจะไม่ได้ของเหม่ก็พอเพื่อ น, นลองสังเกตดูไหมของอะไรที่เหลือเดนอ่นมันยัองกลิ่นอร่อยไหมน่าอร่อยเลอข้าวเหลื อ, ข, ข, อ, อขึ้นอะไอย่างเงี้ยขนมเหลือขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็มาอยากกินเจ้าของยังไม่อยากเกินเลยเดนย่นเจ้าของเลยอยากให้เขา้าใจตามนี้แล้วุ่นเนี่ยมันจะเพิ่มและย้อนกลับปัญหาเรา มากระทบที่จิตเนะี่ยจิตไี่จะฟูขึ้นทีเลยยิ่งโวกสองต่อสองต่อรว่อสองต่อเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเกจริงเมื่อเรายังไม่สัมผัสยังไม่เข้าใจทำตามนี้แตก่อนขอให้ทำให้ได้เนี่ยในโลกวัญญาเนี่ยไม่สามารถที่จะหาวัตถุเหมือนพวกเรามาทำได้ยกรอสนบนอย่างเดียวถ้าญาติพี่น้องทำ แล้วมม่อทิศให้เราย้อนกลับไปหาพระเจ้าพิพิษารตอนที่พระเจ้าภิพิษานถวายวัดที่ชางวัดเนะี่วัดไรรู่นที่มีพระเจ้าไปบัประานนะีน่มู่มู่ทิศยากของพระเจ้าภิพิษารที่รองรับไปแล้วในชาติก่อนนู้นรอมองูพอได้ข่าวว่ายากทำบุญไห่ มาหลอรับเพราะเราคงจะได้ยินแล้วนะ่ะเราที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทําบุญแล้วไม่ได้ตรวจน้ำอุทิศให้น้อยใจเสียใจเราบรรยายผ่านไปแล้วพอตะกกลางคืนเลยเนี่ยที่ยบมีเสียงอึดทึกขึ้นข่มเสียงน้องหัวหุนของญงัดที่ไม่ได้รับสมบนุญที่พระเจ้าพิมพิสานไห่อุทิศให้ แต่ความเสียใจก่อระหนขึ้นพระเจ้าผ้พิสารตกใจตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็ปรึกษาโหวนว่าเอ้ยเสียงเมื่อคืนเป็นเสียงอะไรโหนว่าพามตั้งหลายก็ทันมาว่ า, าราชบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยจะเกิดถึงอ่าการไม่บัดเนี่ยต้องสังเยด้วยช้างเท่านั้นเชืกก อ, อกม้าเท่านั้นเชือกแพะแกะงูไก่เมื่อถึงรถเนี่ย ก็ไปจับมาเพื่อที่จะประหารข่าสังเว ย, ยเ น, เนั่ น, นเองจนจนพระมเหสีคนหนึ่งบอกว่าทาอะไรเหลือเสียงอีกทึ๊ดทึคงก็เล่าความฝันให้ฟังบอกเอ๊ะทำไมมันโง่แหน่ทำไมไม่ปรึกษาพุทธเจ้าแจะไปเอาคนมาฆ่าเอาสัตว์มาฆ่าเพื่อให้ราชบลังเนี่ยอยู่แลเบียดเบียนกันขนาดนั้นเนี่ยมันจะถูกหรือ ขาดเพืมนุษย์สัง่อยขาดช่างร่างหัวควายนี่ออไพระเจ้าพุทสารก็เลยเออก็จริงก็เลยพากันไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดเุลยรุวันเพืปรึกษาพระพุทธเจ้าว่าเสียงอึกทึ้ทึคนมนั่นคือเสียงอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่แหละคือญาติของอมหาบพิตรเองที่รอรับสน่นบุญแล้วไม่ได้อุทิศบุญให้ก็เลยร้องห้อยหวนว่า บุญไหลเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าญาติเนี่ยจ้าุทิศบุญไปให้จะได้ไปพุทเปี้ยเกิดได้ทีญาติเหล่านั้นคือใครก็คือผู้ที่เคยเอเคยเคยทำอาหารเราเคยได้ยินไหมว่าจะกินก่อนพระในญาติาเหล่านั้นนะที่ไปกินก่อนพระแล้วก็เลยกายเปรตเพราะญาติขอ ง, พ, งอพระเจ้าพุทธศาสน์ในภพนึงนี่คือพ ร, พระเจ้าพุทธศาสเนี่ยนิมนตพระพุทธเจ้ามาเหมือนกันเพื่อทอาหาร เลี้ยงถวายกันแล้วยาดเหล่านั้นไม่ศรัทธาทำไปกินไปเล่นไปที่ว่าตายแลาไไปเป็นเตจเน น, นั่นแะบบชุดนี้แหละในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นใช่แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นแหละญาติของท่านเองของมหาบพเพตเองที่เคยเป็นลงเ ป, นเป็นครัวเธอเป็นทำอาหารที่จะเลี้ยงพระ แล้วไม่สรัทาทําไปกินไปเล่นไปในชาตินั้นพบนั้นในสมัยพุทธเจ้าองค์นึงเนีพุทเจ้าเกิดมาเนยอีกองค์หนึ่งยังเปรตอยู่เลยไหมอายุเปรเหล่านั้นแหะมันยืดยาวนะยืดยาวโอ้แล้วทํายังไงมาบอกพุทธเจ้าจะทํายังไงพระเจ้าก็บอกว่าทําบนใหม่ทำบนบใหม่แล้วก็อุทิศในรเนี้ทั้งสองครั้งนะ ว่าเวล้วันทําบุญสองครั้งครั้งที่สองนี่แหละเมื่อทำแล้วเจ้าพนมิสารก็กุทิบุญกสอนให้แก่เราเนี้่ยรีใจรับสนทนของพระเจ้าพนมิสารอีกครั้งหนึ่ทงทําบุญวันหยาเนั่นก็ไปจติไปเกิดใหม่เปลนภพภูมิใหม่เนี่ยที่ทำบุญครั้งที่สอง ที่เราไม่ทราบรู้เห็นไหมพบชาติเนี่ม่แพงง่ายหรือพระเจ้าทีวสารเมื่อทําแล้วเนี่ยเจตตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับอนิสงส์เราลองเทียบคิดดูว่าในโลกธรรมยายเนี่ยมันยึดเยึดขรรดไหนพระเจ้าองค์หนึ่งมาบวิขึ้นในโลก่ยังไม่แตกอยู่เลยเนี่ยเคยเกิดทันพระ เ, รเจ้าองคนี้แ้ว ปัจจุบันเราก็คือพระเจ้าเราเนี่ยมาอวดขึ้นในโลกยัญญาเรานั้นยังเป็นเตจอยู่เลยมันมันยืดยาวเนี่ยด้วยบาปอกุศลละกามนั่นแหละมันบันดาลให้ที่เราเป็นผู้ที่มีโชคแล้วเราก็อุทิศบุญของเราเนี่ยให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายและอีกอันขาดไม่ได้คือเจ้ากรรมนิเวศทำไมจะขาดไม่ได้เคุณเราเกิดมาใน ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาครั้งนี้เพียงเดียวพวกเราก็เกิดมาแล้บพบราพชาติใไม่เท่ากันเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมีทั้งผู้ที่มีทั้งพู้ที่เกียตดเราอาจจะเด็กเดย็นเขาเขาก็อาฆ า, าตพบหนึ่งเชิดหนึ่งชุดหนึ่งอ้าวผ่านไปพบใหม่ชาติใหม่ต่อๆกันมาพดทธก็มี เรานับพบนับชาติไน่ท้วนนะจริงๆมันมีทั้งผู้ที่เราอุกปรกรณ์ครบเริร่มีทั้งผู้ที่เราเ บ, เบียดเบียนเขาก็จองเวรจองร่างจองผ่านซึ่งกันและกั น, นมันก็จะมีอะไรขาดสายเพราะฉะนัน้นเราก็ต้องอุทิศให้เขาเหล่านั้นด้วยจะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกเราก็อุทิศไปตั้งใจแบบนี้เนี่ยไม่มีคนเบียดเบียน ความสุขก็เกิดขึ้นเราสังเกตเห็นไหยพราะคนราเด็ดเดียนอิจฉาในสยามเราเนี่ยเราก็ไม่ไม่ชอบใจแล้วก็เกิดความอะไรไม่ได้ตั้งใจแล้วเราก็มาทบทวนว่าไอ้คำนั้นเกิดขึ้นนะอะไรทําดีไม่ได้ดีสังเกตดูไหมนี่นแหละคือว่ากรรงตัดหลอนสิ่งที่เดียวทำไว้อะกับบุคคลอื่นบ้างเราพูดกับคนอื่นไม่ดีไว้บ้าง กับบุคคลอื่นไม่ไดีไหมลูกทำในสิ่งที่ไม่ไดีกั บ, บคนอื่นบ้างมันก็จะส่งผลเนี่ยบากบ้างน้อยบ้างช้าบ้างเร็วบ้างมันก็จะมีอย่างนี้นอยู่เสมอเราก็ทิศวุน่นของเราให้กับบุคคลเหล่านั้นถ้าท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนึก ใ, ในใจแบบนี้เนา ะ, ะตั้งใจเอ่อ จะได้ทานอาหารแล้วก็ทำงานเอาตั้งใจเนาะยะทาวาริวหาปูราปาริปุเรนติทากขารังเอวะมิวะอิตโตดินังเปตานังอุปกาปาป ร, ปรติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโต สามเณรุเรนตุสังกปาจันโดปนรสอยะถามณีโจติรโสยะถาสาภิตโยวิวัชาตสัพพโรโภวินัสโตุมาเตภวัตวันตรายโสุขีทีคายุโกภวะอะพิวาฒนสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจตารโอธรมาวทันติ อายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสัพพะมังคังระคันตุสัพพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตภาวะตุสัพพังคังระคันตุสัพพะเดวตาสัพธรรมานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตภาวะตุสัพพังคังระคันตุสัพพเดวตา สภาพสังขานุภาเวนะสทาโตทีภะวันตุเต